ท่านพยายามที่ให้เห็นความจริงตามสภาวะที่มันเป็นอยู่นั่นเองแต่ใจปุตชนมีกิเลสลุ่มหลงมันอยู่จึงเห็นเป็นว่าท่านว่ารุนแรงอีกแง่หนึ่งมองได้ว่าในการเปรียบเทียบกันนั้นเมื่อการมาสุขที่คนนิยมกันอยู่ท่านอย่างว่าต่ำด้อยค่าถึงเพียงนี้ก็ย่อมเป็นการเชิดชูสุขอย่างประณีตที่ท่านนำมาวางเทียบให้เห็นสูงเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น